สรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าพรามคือพระอรหันต์ทราบด้วยญาณแล้วย่อมไม่เข้าถึงซึ่งความกำหนดด้วยตัญหากับทิฏฐิไม่เป็นผู้แล่นไปด้วยทิฏฐิ62ทั้งไม่มีตัญหาหรือทิฏฐิเป็นเครื่องผูกเพราะญาณเพราะฉะนั้นท่านไม่มีตัญหาทิฏฐิในอภินยาหสบมาบัติ8พระอรหันต์นั้นรู้แล้วซึ่งอริยสัจเนี่ยนะย่อมวางเฉยซึ่งสมมติคือมิจฉาทิฏฐิที่ปุตุชนให้เกิด แต่ว่าพวกส ม, มาณาพราหมณ์ก็ยืดถือไอ้สมมุติคือ ท, ที่เหล่านั้นแหละแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปอีกว่ามุนีสละแล้วซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรับทั้งหลายในโลกนี้นะท่านสละกิเลสขันธะหมดแล้วนะเมื่อชนทั้งหลายเกิดความวิวาททะเลาะกันย่อมไม่เป็นผู้เล่นไปด้วยธรรมะที่ทําให้เป็นพวกมุนีนั้นเมื่อชนทั้งหลายไม่สงบก็เป็นผู้สงบวางเฉยไม่ถือมั่น สมณพราหมณ์เหล่าอื่นย่อมถือมันนะตรงกันข้ามกับพระ้าหันหมดเลยนะพวกสมณพราหมณ์ทั่วไปคําว่ากิเลสเครื่องร้อยรัตที่คือคันธ์เนี่ยนะกิเลสเครื่องร้อยรัตเนี่ยมีสอย่างก็คืออภิชากายคันธะพยาบาทกายคันธะศีละพะตาปรามาสะกายคันธะอีทางสัจจาพินิเวสะกายคันธ์ความกําหนักในทิฏฐิของตนชื่อว่าอภิชากายคันธะความอาฆาต ความไม่ยินดีในถ้อยคำของผู้อื่นชื่อว่ า, าพยาปาทะกายคันทะความยึดถือในศีลพรตหรือยึดถือทั้งศีลและพรตชื่อว่าศีลพัตตะปรามาสกายคันทะส่วนมิจฉาทิฐิเนี่ยนะหรือทิฐิของตัวเองนะชื่อว่าอีทางสัจจาพินิเวสกายคันทะพารหันเนี่ยท่านสละแล้วไ้ซึ่งคันธะสีประการเนี่ยนะ คันถะสีอย่างนะโดยสภาวะก็คือโลภะโทสะและก็ทิฐินั่นเองเนี่นนะเพาราะผหันเนี่ยท่านละแล้วซึ่งโลภะโทสะทิฐิคือปล่อยวางแล้วซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัดอีกอย่างหนึ่งแก้แล้วหรือคลายแล้วซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัดที่ผูกรัดพันเหนียวอ่เหนียวรังเกาะเกี่ยวพัวพันคล้องไว้เหมือนชนทั้งหลาย ทำความปล่อยคานหามรถหรือเกวียนฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเหมือนกับคนขับเวียนไปเนี่ยนะก็ปล่อยโคออกหากินฉนันใดพระ้าหานก็ปล่อยเครื่องร้อยรัดออกไปฉะนั้นพ <c oughs> ผ้าหานี่คือมุนีเนี่ยนะก็คือผู้มียานคือมีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจทีนี้พวกชนทั้งหลายเนี่ยนะวิวาดกันผ้าหานก็ไม่เป็นผู้เล่นไปด้วยทําให้เป็นพวกอธิบายว่าเมื่อชนทั้งหลาย มีความวิวาทกันเกิดขึ้นเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏคือเมื่อชนทั้งหลายถึงชันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติพระอรหันต์ย่อมไม่ถึงอคติคือไม่ถึงโทอ่ชันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถขออภัย <c oughs> ไม่ถึงด้วยสามารถราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจาวิจิกิจฉาอนุสั ย, ย่อมไม่ดำเนินออกเคลื่อนเคลื่อนไปด้วยธรรมทั้งหลายที่ทำให้เป็นพวกเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยทำให้ท่านไปเป็นพวกไม่ได้อีกแล้วพาฐานนี้ชื่อว่าเป็นผู้สงบะนะก็คือสงบราคะโทสะโมหะสงบความกโกรธความผูกโกรธเนี่ยนะความริษยาความตหนีเป็นต้นตลอดถึงสงบ อกุศลคืออักอกุศลาภิสังขารความสงบเงียบเข้าไปสงบเยน็นดับหายไประ ง, งับแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้สงบเนี่ยนะคำว่าสงบก็คือโดยย่อ ก, ก็คือสงบสมุทัยศัตร์สงบกิเลสบาปอากุศลทั้งปวงคําว่าเมื่อชนทั้งหลายเป็นผู้ไม่สงบ嘛นะชนทั้งหลายก็คือปุตุ ช, ตชนทั่วไปเนี่ยไม่สงบ คือไม่สงบไม่เข้าไปสงบไม่เงียบไม่ดับไม่ระ ง, งับน่นนะก็คือไม่สงบอะไรก็ไม่สงบราคะโทสะโมหนะนั่นแหละฟุ้งอยู่ด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกริสยาเป็นต้นพระอรหันต์นี้เป็นผู้ประกอบด้วยอุเบกขามีองค์หกคือเห็นรูปแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติมีสัมปชัญญะก็คือดำรงอยู่ด้วยมหากิริยาท่านรับอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยนะก็ดำรงอยู่ด้วยมหากิริยาจิต มันท่านนี้เป็นผู้ที่มีการอบรมอินทรีย์แล้วฝึกดีแล้วรอคอยการมรณะอย่างเดียวคําว่าผู้ไม่ถือมั่นพระราห์เนี่ยท่านไม่ถือมั่นใช่ไหมส่วนสมณพราหมณ์เหล่าอื่นย่อมถือมั่นความว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นย่อมยึดมั่นถือมั่นด้วยสามารถตันหาและทิฏฐิส่วนพระราห์วางเฉยคือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น น, นะคือพระราห์ท่านก็เห็นสมณพราหมณ์ทั่วไปก็เห็น สมรรถภาพทั่วไปยึดด้วยทิฐิตันหาแต่พระอรหันต์ไม่ยึดถือด้วยตันหากับทิฐิเนี่ยนะทีนี้ขาถาต่อไปว่ามุนีละอาสวะอันมีในก่อนไม่ทําอาสวะใหม่ไม่เป็นผู้ดําเนินไปด้วยความพอใจทั้งไม่เป็นผู้กล่าวด้วยความถือมั่นมุนีนั้นเป็นทีรชนพ้นขาดแล้วจากทิฐิทั้งหลายไม่เป็นผู้ติเตียนตนย่อมไม่ติดอยู่ในโลกเนี่ยนะ นี่ก็คุณธรรมชัดเจนของพระอรหันต์ว่ามุนีละอาสวะแล้วอันมีในก่อนไม่ทําอาสวะใหม่ความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนอดีตเรียกว่าอาสวะในก่อนกิเลสเหล่าใด พ, พึ่งเกิดขึ้นเพราะปรารบซึ่งสังขารส่วนอดีตมุนีนั้นนะ่ะท่านสลัดบันเทาทําให้สิ้นให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสนั้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงละอาสวะอันมีแล้วในก่อน ก็คิดดูนะสองเราเนี่ย่านนึกถึงอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ผ่านมาในอดีตที่ดีๆอ่ะนะส่วนมากก็นั่งเปลื้มใช่ไหม้ยนะนั่งโสมนัสยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งสอนตอนนี้ท่านนึกนั่งตอนที่สอบได้ท่านคิดไงแน่เนี่ยแค่แค่พูดถึงตอนนี้ก็ยังอมยิ้มเลยอ่ะนั่นแหละก็ดีนั่นแหละอ้าวก็ยิ้ม่ะก็ยิ้มมาเนี่ยแหละ ฉันทราคะล่ะอืมอนะั้นจริงจริงนั่นก็ขันท่าใช่ไหมจริงก็ขันท่าถามว่าคิดยังไงจึงยังไม่ผูกพันในสิ่งนั้นอันนี้ยกเป็นตัวอย่างอนะว่าเออเนี่ยถ้าไม่ผูกพันทุกเรื่องในทุกขันทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ะนะเห็นว่าเป็นขันท่าอันนะขันท่าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นนั่นเองเมื่อใคร่ครวนอย่างนั้นอ่ะโดยรอบครอบละเอียดบริบูรณ์จึงไม่มีฉันทราคะในในขันที่เป็นอดีตทั้งหมดเหล่านั้นเลย ท่านจึงไม่มีอาสวะในอารมณ์ในการก่อนแม้แต่อารมณ์เดียวเนี่ยนะคำว่าไม่ทำอาสวะใหม่ความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนปัจจุบันเรียกว่าอาสวะใหม่มุนีไม่ทำความพอใจไม่ทำความรักใคร่ไม่ทำความกำหนัดปรารบถึงขันในส่วนปัจจุบันคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะชื่อว่ามุนีละอาสวะ อ, อันเกิดในปัจจุบันเนี่ยนะ การเห็นขณะนี้ก็คือขันห้าได้ยินรู้กลิ่นรู้รสโพธิภะทุกทวารก็คือขันห้าขันห้าประชุมกันนั่นแหละเรียกการเห็นขันห้าประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าการได้ยินขันห้าประชุมกันเรียกว่าการรู้กลิ่นรู้รสขันห้าประชุมกันนั่นแหละเป็นโพธิภะขณะที่นึกคิดก็คือขันห้าประชุมกันเมื่อขันห้าประชุมกันอย่างนี้นี่แหละทํายังไงที่จะตัดฉันทราคะในสิ่งนี้ ไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิในขันเหล่านี้ได้พระหันท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ไม่มีตัณหาฉันทราคะ er ในสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดท่านเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าเป็นของเที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ยึดถือตามเห็นโดยความดับไม่ใช่มุ่งสร้าง ตามเห็นด้วยความสละคืนไม่ได้ถือมั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงละอาสวะในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะท่านเจริญอนุปัสนาจนบริบูรณ์ในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วคำว่าไม่เป็นผู้ดำเนินไปด้วยความพอใจความว่าคือท่านไม่ถึงอัคติเนี่ยนะทุกอารมณ์เนี่ยท่านจะไม่ถึงโท ร, ราโทสาคติโมหคติพยาคติจะไม่ถึงด้วยสามา ร, ราฆโทสะโมหามานะทิฏฐิอุทจวิจิกิจชาอนุัย ไม่ดำเนินออกเลื่อนเคลื่อนไปด้วยธรรมะทั้งหลายที่ทำให้เป็นพวกคือทุกอารมณ์นะพระอรหันต์ท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของกิเลสอกุศสนใดๆทั้งนั้นคำว่าทั้งไม่เป็นผู้กล่าวด้วยความถือมัน่นความว่านรชนเป็นผู้กล่าวด้วยความถือมั่นว่าโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่โลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่แต่พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้ยึดถืออย่างนั้น ทั้งไม่กล่าวความยึดถือเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะไม่ไหวความยึดถือเหล่านั้นอ่ะมันมีโทษมุนีนั้นเป็นทีรชนพ้นขาดแล้วจากทิฐิ62เนี่ยนะว่าทิฏฐิหกนั้นอันมุนีนั้นละสงบตัดขาดระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานเพรา ะ, ะนั้นมุนีนั้นเป็นผู้พ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยทิฏฐิทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ คำว่าทีรชนเนี่ยนะทีรชนก็คือผู้มีปัญญาเครื่องทรงจําเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่ามุนีนั้นอ่ะเป็นทีรชนพ้นขาดจากทิฏฐิทั้งหลาย คำว่าความติดนะนะก็ความติดด้วยตันหากับทิฏฐินะว่าความติดด้วยตันหากับทิฏฐินั้น่ะมูนีนั้นละความติดด้วยตันหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิได้แล้วเพราะละความติดด้วยตันหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิจึงเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่เข้าไปติดย่อมไม่ติดไม่เปื้อนไม่เข้าไปติดในโลกคือไม่ว่าจะเป็นอบายโลกคนนีติดอบายโลกไหม ติดก็ติดนกเป็นต้นเนี่ยนะติดนกติดหมูหมากาไก่เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ติดอบายะโลกเพราะนั้นท่านไม่ติดในอบายะโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลกเป็นผู้อันตัรหาและทิฏฐิไม่ติดไม่เปื้อนไม่เข้าไปติดท่านสลัดออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปราศจากเดนกิเลตอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ติดในโลกคือไม่ติดในโลกด้วยอํานาจกิเลสใดใทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่เป็นผู้ติเตียนตนคําว่า คนจะติเตียนตนเนี่ยนะก็ติเตียนด้วยเหตุสองประการคือติเตียนเพราะทำความชั่วกับติเตียนเพราะไม่ได้ทำความดีเช่นว่าติเตียนว่าเราเนี่ยทำแต่ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเราทำปานาติบาตอธินนาทานการมีสุมิชฌาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพฤทสวาจาสัมผัสปลาปะติเตียนว่าเรามีอภิชาพยาบาทมีมิชาทิฐิติเตียนว่า อันะไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญอินทรีย์สังวรไม่ได้เจริญโพชเนมะตันยุตาไม่ได้เจริญชาคติยานุโยกไม่ได้เจริญสติประธานสัมมัประธานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์แปไม่กําหนดรู้ทุกไม่ละสมุทัยไม่ทํานิโรธให้แจ้งไม่อบรมอาริยมักเนี่ยก็ตั้มนี่ตัวเองนะที่ทํากิจเหล่านี้ไม่ได้หรือไม่ได้ทํากิจเหล่านี้อันะเพราะนั้นพระอรหันเนี่ยท่านท่านไม่ติเตียนแบบนั้นแล้ แล้วก็ท่านไม่ต้องตีเตียนว่าท่านทำกุศลอยังไม่พอเนี่ยนะไม่ต้องตีเตียนว่าไม่ได้บำเพ็ญสุจริตสามไม่ได้บำเพ็ญกุศลกรรมบทเพราะท่านเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ท่านบำเพ็ญจนบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไม่ต้องตีเตียนว่าท่านไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญอินทรีสังวรโภชเนมตันยุตาเป็นต้นเพราะท่านทำสิ่งเหล่านี้อย่างบริบูรณ์ ถ้าคนทั่วๆไปก็ย่อมติเตรียมตนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไม่กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเรานี้ไม่คุ้มครองถวายในอินทรีย์ทั้งหลายเราเนี่ยไม่รู้จักประมาณในโภชนะเรานี่ไม่มันประกอบความเพียนเป็นเครื่องตือนอยู่เรานี้ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเรานี่ไม่ได้เจริญสติปัญญานเราไม่ได้เจริญสัมมปาปัญญาเราไม่ได้เจริญอิทธิบาทเราไม่ได้เจริญ อินทรีย์เราไม่ได้เจริญพระเราไม่ได้เจริญโพษชงเราไม่ได้เจริญมากมีองค์แปดเราไม่กําหนดรู้ทุกไม่ละสมุทัยไม่เจริญมากไม่ทํานิโรธให้แจ้งเพราะฉะนั้นก็เลยติเตียนตนเพราะกระทาแต่ความชั่วไม่เจริญกุศลเหล่านี้มุนีไม่ทํากรรมเป็นเหตุติเตียนคื อ, อยังกรรมนั้นให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ติเตียนตนเนี่ยนะ เพราะท่านไม่ต้องติเตียนตัวเองอะนะเพราะท่านทำกิจเหล่านั้นอย่างเสร็จสิ้นบริบูรณ์นะก็เรียกว่ากิจในพระพุทธศาสนาท่านทำเสร็จแล้วนะก็ดูในอัปทานเนี่ยภาหันทุกรูปท่านจะพูดอย่างนี้กันทั้งหมดเนี่ยนะ